ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM 90.25 เมกสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของอรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะและในระบบ AM ความถี่981ก h z ซึ่งรายการบ้านเมืองห น, าน้าอยู่นะครับปกติแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านผู้ว่าอดิศักดิ์เทพอาจท่านก็จะมาดำเนินรายการนะครับเพื่อที่จะนําแนวทางการดําเนินงานการปฏิบัติราชการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าในสัปดาห์ถัดไปว่าภารกิจการงานของท่านการดําเนินงานของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ของจังหวัดนครพนมนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับสําหรับในเช้าวันนี้นะครับกับบ้านเมืองหน้าอยู่นั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับท่านก็ได้มอบหมายทางด้านท่านในอำเภอเมือ ง, งอำเภอเมืองนครพนมแล้วก็ท่านในอำเภอท่าพนมนะครับเข้ามาร่วมในรายการบ้านเมืองน่าอยู่ประจำวันอาทิตย์ที่16มีนาคม2557นะครับซึ่งประเด็นในวันนี้นั้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในเรื่องของอมาตราการการสร้างความเข้มแข็งตามแนวชายแดนแล้วก็การจัดกิจกรรม Big c ค e ีนนิ่งเดนะครับ ซึ่งจังหวัดนครพนมของเราก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นเมืองอที่อยู่แล้วมีความสุขที่สุดในประเทศนะครับบอกว่านอนนครพนมหนึ่งอนอนนครพนมหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้รายการเราก็จะได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านท่านนายอำเภอทั้งสองอเภอนะครับอำเภอท่านนายอำเภอเมืองนครพนมและก็ท่านนายอำเภอท่าพนมนะครับสวัสดีผมพิทยาแสงรุ่งดำเนินรายการนะครับในช่วงแรกนี้นะครับ ทางในการเราก็จะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับท่านนายอำเภเมืองนครับพนมท่านนายอำเภอดารงศิริวิทย์วิเศษสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ดำเนินราการครับผมดํารงศิริวิทย์อิิเศษในอำเภเมืองนครพนมครับครับท่านนายอำเภอครับในช่วงแรกก็อยากจะให้ท่านนายอำเภอได้พูดถึงสภาพทั่วไปของอำเภเมืองนครพนมครับว่าโดยสภาพทั่วไปเนี่ยนะครับอําเภอเมืองนครพนมมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับครับ ในเบื้องต้นต้องต้องกลับเรียนท่านผู้ฟังด้วยการเคารพนะครับว่าปกติเนี่ยท่านอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าการจังหวัดนครพนมท่านก็จะมาดํานเนินรายการมาพูดมาคุยให้กับพี่น้องได้รับฟังนะครับว่าในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนนั้นเนี่ยจังหวัดเรามีนโยบายอย่างไรนะครั บ, รบท่านก็จะมาเล่าให้ฟังในแต่ละที่เป็นผู้คุมนโยบายสูงสุดนะครั บ, รบแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านได้มอบหมาใ ห, ให้ให้กับผมนะครับในอำเภอเมืองได้มาพูดคุยแทนซึ่งก็ก็ เป็นโอกาสอันดีนะครับเพราะว่าจะได้มาเล่าเรื่องโน่นี่นั่นให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบเพราะว่าผมมาอยู่ที่นี่ก็หนึ่งปีพอดีมาอยู่ในกํากับของอนษัการในก็6เดือนก็พอจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ท่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังครับครับถ้าเป็นแนวทาเออเป็นสภาพทั่วไปของอำเภอเมืองนะครับท่านครับว่าสภาพของอำเภอเมืองที่ท่านมาเรารับเป็นยังไงบ้างทั้งเรื่องของพื้นที่เรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้ครับท่านครับอ๋อครับก็ เรียนท่านผู้ฟังด้วยครับขอร้องตะการว่าอำเภอเมื อ, นนองนครพนมเนี่ยเป็นอํเาเภอที่น่าอยู่เป็นอํเาเภอขนาดใหญ่ถ้าพูดถึงในเชิงการปก ค, ครองเนี่ยก็ต้งองประกอบไปด้วยพื้นที่เนี่ยทั้ง13ตาบลไม่รวมเขตเทศบาล น, นะครับ13ตําบล165หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความดูแลของนอายอำเภอนีครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราเรียกว่าอาบาตอเนี่ยก็หลายแห่งพื้นที่ก็ทั่วไปก็บ้านเราเป็นเมืองกสิกรรมนะครับกสิกรรมก็แปลว่า ปลูกข้าวทำไรเ่เรื่องสัตว์ปศุสัตว์มีเป็ดไก่มีหมูมีอะไรต่างๆเหล่านี้เ ร, เ, รเราเรียกเราเรียกว่าเป็นอาชีพเกษตรกรรมครับทีนี้พื้นที่ของเราเนี่ยด้านหนึ่งเราเรียกว่าติดชายโขงชายโขงก็คือฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับอําเภอเมืองเนี่ย เ, เป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความสําคัญเรื่องความมั่นคงค่อนข้างมากเพราะว่าพื้นที่ของผมเนี่ยของเรานี่แหละของอําเภอเมืองนะครับติดกับ อ่าประเทศเป็นบ้านเนี่ยถึงตามแนวชายโขงถึงถึงประมาณ58กิโลเมตร <km. S 1> ครับผมนะครับมีหมู่บ้านที่เราเวดระวังภัยหรือเป็นหมู่บ้านแนวชาโขงเนี่ยถึงสาสหมู่บ้านครับนะครับเพราะฉะนั้นก็แม้บ้านเมืองจะเจริญพัฒนาไปไกลอย่างไรแต่ว่าในเชิงการปกครองเนี่ยเราก็ต้องดูแลในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความอยู่ดีกินดีเรื่องของความทําอย่างไรให้พี่นอ้อง อยู่ห่างไกลจากภัยพิบัติท่างหลายทั้งปวงนะ ค, ะครับในใ น, ในสิ่งที่ไม่ดีงามเช่นยาเสพติดเรื่องการค้ามนุษย์หมูหมากาไกา่ที่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงครับครับถ้าพูดถึงเรื่องของภัยแล้งครับท่านครับอย่างของเราติดน้ําโขงเนี่ยเรื่องของความแห้งแล้งมันมีผลกับ ชาวเพือเมืองน่าขอมนตมากน้อยแค่ไหนครับอาารครับก็ประเพณีของชาวอีสานบ้านเราในสมัยก่อนนะครับตั้งแต่นมานมาเนี่ยพอเราจะสังเกตเวลาเราไปกรุงเทพนะครับไปนั่งแท็กซี่เนี่ยถามมาจากไหนมาจากชาอีสานเราทั้งนั้นเลยนะครับครับก็ช่วงหน้าฝนช่วงหน้าทําการกสิกรรมก็จะกลับบ้านมาพ่อปลู่ส่วนหน้าแรงก็จะอบายก็ไปทํางานในต่างจังหวัดแต่มาหลังๆแล้วเนี่ยจังหวัดเราเนี่ยมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่ององการท่องเที่ยวเรื่องของการ ช่วยเหลือตัวเองในภาวะแรงรพื้นที่ของผมเนี่ยถือว่าโชคดีในโซนตำบลที่อยู่ติดน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นตำบลดงขวางบ้านกลางท่าข้อขามเท่าหรืออาจสามารถเนี่ยจะมีสถานีสูบน้าพลังไฟฟ้านะครับก็จะผ่านน้าจากน้ำโขงเนี่ยเข้ามาทำการเกษตรกรรมรก็ถือว่าได้ประโยชน์สูงนะครั บ, รบพืชผักสวนครัวนี่ผลิตจากพื้นที่ของเราไก่ไข่ที่ ลับประทานแล้วอร่อยที่สุดครับคือไก่ไก่ไข่ยจากบ้านกลางของเราครับส่วนพื้นที่โซนเถิดเข้ามาเนี่ยถึงแม้จะไม่มีน้ําแต่ว่าเป็นเป็นแต่เพียงน้ําทางการเกษตรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีแต่วลาสระเขาก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงของของปราชชาวบ้านก็หมายความว่าถ้านาแง้มมันขาดน้ําทางการเกษตรก็ไปปลูกพืชที่มันใช้น้ําน้อยหน่อยครับ อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นครับครับครับที น, นี้เข้ามาที่เรื่องของแนวทางการส ร, ร้างความเข้มแข็งในคราร์ตาเนมเปอครับเพราะว่าถ้ามองในสภาพของที่เรามองกันคือว่านา <â> ครปนมีเป็นเมืองชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับท่านครับคับรัวันมาตรการที่จะมาดูเรื่องของความเข้มแข็งด้านต่างๆของทางทานอำเภอเมืองนี่ครับท่านท่านแแมเปอมีนโยบายมีแนวทางการเมืองอย่างไรบ้างครับท่านครับในเบื้องต้นต้องผมจะพูด อ่านโยบายของเฉพาะในในระดับจังหวัดนะครับท่านอดิศักดิ์เทพอารเนี่ยท่านมีท่านกําหนดยุทธศาสตร์ตองการพัฒนาจังหวัดในเรื่องของความมั่นคงตามแนวหมู่บ้านตามแนวชายแดนชายโขงเราเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมํากลับเรียนมาสักครู่ว่าความเจริญเนี่ยแม้จะสูงส่งอย่างไรแต่ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราต้องพิทักษ์รักษาไว้คเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงมันมีทุกเรื่องครับในเรื่องของ เศรษฐกิจสังคมเรื่องของการเมืองเรื่องของอสิ่งผิดกฎหมายต่างๆามีหน่วยงานเผมผมเรียนท่านนะว่าประชากรของเราเนี่ยแสนกว่าเนี่ยครับแสนกว่าเนี่ยถ้ารวมข้าราชการทุกแผนกทั้งท้อง ท, ง ท, ง ท, งที่ท้องถิ่นส่วนกลางส่ธธวนหนุนพิพากษมีมีล้วนมื่นคนอเพราะฉะนั้นหมื่นคนที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนเนี่ยเราจะบริการประชาชนแสนกว่าเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนที่พอฟังพอฟัง ในฐานะที่ผมอยู่ฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองท้องที่กับกับดูแลท้องถิ่นเนี่ยผมเรียนท่านว่ า, าหน่วยงานภารกิจของหน่วยงานต่า ง, างๆที่เกี่ยวความมั่นคงเนี่ยเอาละผมแต่แต่แตและหน่วยงานท่านก็มีหน้าที่ของท่านซึ่ ง, ซ, งซึ่งเท่าที่ผมดูก็ทํางานได้ดีเต็มที่เต็มความสามารถอย่างไรก็ตามฝ่ายปกครองในฐานะที่ดูแลพื้นที่เนี่ยผมได้เตรียมชุมชนครับที่เราเรียกว่าให้ให้เกิดความเข้มแข็งอก็แปลว่าชุมชนแต่ละชุมชน ผมแบ่งออกอย่างนี้ครับแบ่งออกเป็นชุมชนร้อหกสหมู่บ้านของอําเภอเมืองเนี่ยชุมชนตามแนวชายโขงสาวอเบลหมู่บ้านเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการารับกับปัญหาอีกแนวหนึ่งหมู่บ้านหรือตำบลที่อยู่ถับเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านด่านที่สองก็ต้องมีวิธีการบริหารหมู่บ้านของตนเอง อ, อ, อีกรูปแบบหนึ่งมันถึงจะไปรอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเน้นย้ํากําชับแล้วก็เป็นนโยบายแล้วก็เป็นเรื่องเป็นกันบ้านที่มอบให้กับ ผู้นำท้องที่ท้องถิน่นโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ไปปฏิบัติก็คือมอบการบ้านไปเรื่อ ง, องการสร้างชุมชนเข้มแข็งวันนี้กรรมการหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านใหญ่เนี่ยกรรมการหมู่บ้านจะต้องเข้มแข็งจะต้องรู้จักว่าเอาประวัติพื้นที่ของตนเองมีมาอย่างไรปัญหาในหมู่บ้านของตนเองมีอะไรบ้างครับผู้ใหญ่บ้านคิดเองได้แต่ว่าเวลาปฏิบัติห้ามปฏิบัติคนเดียว ค, คิดเองแล้วจะต้องเอาความคิดตัวเองเนี่ย ามาสรุปมารวมมาสังเคราะห์ปัญหามาตกผลึกในที่ประชุมกรรมการหมู่บ้านให้ได้ว่าปัญหาของตัวเองณวันนี้มีอะไรบ้างมีสิบอย่างอะไรบ้างที่เราแก้ปัญหาเองได้ ร, รีบทำเลยอะไรที่ทำไม่ได้ก็ส่งไปหน่วยต่างๆเช่นอทำแผนแล้วส่งไปที่ อ, ตอบตขอที่เทศบาลตาบลเทศบาลเมืองหรือส่งมาที่อาเภออเภอก็ส่งต่อไปที่จังหวัด จังหวัดก็จะมียุทธศาสตร์ต้องการพัฒนาจังหวัดถ้าเป็นการสอดคล้องเป็นการร้อยแผนแต่ละระดับในระดับเบื้องล่างเข้าไปสู่เบื้องสูงครับครับมันกับว่าเราจะทําให้ชุมชนเราเกิดความเข้มแข็งเป็นเกราะในการป้องกันยาเสพติดในเบื้องต้นก่อนนะครับทีนี้ถ้าในเรื่องของงานที่จะเข้ามาปราบปรามเนี่ยนะครับเรามีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับทีนี้พอพอมา พอมาพอมาโฟกัสมาที่ระดับปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นชายแดนมีอะไรบ้างครับบางท่านก็ไปเรียกเป็นตัวย่อต่างๆแต่ผมจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเรื่องของยาเสพติดเป็นที่หนึ่งเรื่องของไม้ไม้พยุงนี่ก็นี้ก็ที่หนึ่งเรื่องของของสุนัขข้ามข้ามไปปฏิบัติการนี้ก็เป็นที่หนึ่งเรื่องของการค้ามนุษย์นี่ก็ที่หนึ่งเหมือนกัน เพราะนั้นวิธีการที่เราจะช่วยเหลือหน่วยอื่นหรือประสานให้เกิดสุขเนี่ยใน أ, ภารกิจของฝ่ายปกครองก็คือวันนี้เราตั้งกองกําลังประจำถิน่นหรือกองกําลังประชาชนที่เราเรียกว่าชุดชลบรบ <c oughs> ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน31หมู่บ้านตามแนวใช้ของของขอำเภอเมืองเนี่ยผมเรียนท่านว่ามีการฝึกกองกําลังประชาชน เป็นกองกําลังคล้ายๆกึ่งทหารในยซ้ํำไปเพราะรว่าภา ค, ภาคกลางวันภาคอะไรต่างๆเขาก็จะสมาหากินไปตามาสภาพของเขาแต่ภาคกลางคือหรือภาคของการปฏิบัติจริงเนี่ยเขาก็จะมีอาวุธปืนไปประจํากายของเขาเขาก็จะเรียนรู้ยุทธวิธีของการใช้อาวุธรู้วิธีการเรืองการส่งข่าวเป็นสายรับเรื่องการข่าวการประสานงานกับเจ้าที่ในของฝ่ายทหารของตชดอของตํารวจภูธรเพื่อพิทักษะรักษาหมู่บ้านของตนเองวันนี้เราฝึก ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตามแนวเช็คคง3 1หมู่บ้านหมู่บ้านละ15คนคูณมาแล้วเป็นหลายร้อยคนนะครับครับหลายร้อยคนเราติดอาวุธปืนลูกซองห้าทัพเนี่ยให้ทุกหมู่บ้านหมู่บ้านละหกระ บ, บอกออืครับเมื่อสัปดาห์ก่อนโน้นท่านอดิศักดิ์เทพท่านผู้ราชกันจังหวัดนครนพ น, นมรับทราบปัญหาว่าชุดช็บอลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบางหมู่บ้านมีเฉพาะอาวุธปืนนะครับลูกปืนก็าหายหมดแล้วขาดแคลนทั้งก็ได้มีบัญชาให้ผมเนี่ยปจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย ผมก็ไปจาัด ก, การให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ขอเรียนให้ทราบให้พี่น้องทราบด้ยวยความอุ่นใจว่าคาคืนถ้าจะมีความรู้สึกมั่นคงเพราะว่ามีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่จดูแลสุขทุกจะนอนอยู่ในหมู่บ้านของท่านนั่นแหละหมู่บ้านละสิบห้าคนมีอาวุธปืนประจํากายพร้อมอยู่เวรยามตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงระเบียบของเรือต้องไปทําทะเบียนเรืเอนเรือส่วนใหญ่ก็ คนเราอยู่ใช้ยโขงใช่ไหมครับ <c oughs> ก็จะข้ามไปข้ามมา <c oughs> เดี๋ยวจะข้ามอิสระไม่ได้แล้ว <c oughs> ถึงแ <c oughs> ม้จะอยู่ในในประเทศเสรียแต่จะทําอะไรเหมือนก่อนไม่ได้วันนี้จะต้องเอาทําทะเบียนของเรือว่าเรือของใครบ้างเอาธงสัญลักษณ์ของธงชาติเนี่ยธงไทยลงปฏิที่หัวเรือหน่อยครับ <c oughs> ไปเขียนรหัสที่หัวเรือที่ว่ามันหมายเลขเท่าไหร่เรือลํานี้ประจําอยู่ที่หมู่บ้านไหนครับ <c oughs> ใครที่จะข้ามฝั่งไปมาเนี่ยต้องมีระยะเวลาอื <c oughs> รถเหลือที่จะเข้าหมู่บ้านไปยังแนวชายแดนชายโขงเนี่ยเราก็ให้ให้การบ้านแรงแบบแรงหมายก็ว่าให้โจดเข้มเช่นเราต้องมองเขาในเชิงว่าเอไปอะไรค่ําคืนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็จับตาเฝ้าระวังดูครับเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็ส่งข่าวไปยังหน่วยเกี่ยวข้องหรือวันนี้เราก็ฝึกชุดชะบสิบห้านายเนี่ยในเรื่องของการตั้งด่านตั้งด่านแบบไหนให้ได้ทั้งใจให้ได้ทั้งความมั่นคงปลอดภยัย อางนี้เจ้าที่ตํารวจเองก็สบายขึ้นเพราะมีกองกําลังช่วยผม บ, บอกกับอหน่วยงานทุกหน่วยนะครับที่มาปฏิบัติงานว่าเราฝ่ายประครองเราเนี่ยฝึกกําลังผู้ใหญ่บ้านฝึกกรรมการหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการทํางานจากหน่วยต่างๆครับถ้าหน่วยต่างๆเนี่ยอาจจะต้องสมัยก่อนอาจจะต้องลงแรงสักร้อยคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็ต วันนี้ก็ร้เปร์นมันเดิมแต่ว่า5้าสิบเนี่ยท่านทำจริงอีกห้าสิบเนี่ยเป็นการประสานงานกับกรรมการหมู่บ้านครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าสาติตั้งแต่เราใช้แนวทางอย่างนี้โดยเรารับนโยบายจากท่านผู้ราการจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าฝ่ายปกครองเองมีสติของการจับกลุ่มตรวจยึดสิ่งผิดกฎหมายเช่นยาบ้านเนี่ยเมื่อสักเดือนที่แล้ว ชุมชนเข้มแข็งของเรากระหน่ำพิพิธภัณฑเข้มแข็งของเราตรวจยึดยาเสพติดยาบ้าเนี่ยได้ทั้งร่วมแสนเมตรครับไม้พยุงนี่เดี๋ยวนี้กลายเป็นของเล่นเลยหมายคถาว่ามีที่ไหนบุกยึดบุกจับที่นั่นครับอสุนัขข้ามถิ่น <c oughs> ข้ามที่จะส่งไปตา่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยเราเราสกัดกันได้หมดเลยทุกคนก็เกิดความรู้สึกว่าอ๋อเป็นรัฐทิศเอาอย่างไปอ๋อตำบล น, นี้หมู่บ้านนี้เขา้เขาทําไมเขาทำได้ไอ้ตำบลเรา <ๆ S 2> ทําไมจ ะ, จ ะ, จะทําให้ได้เพราะฉะนั้น ผมเรียนยืนยันกับท่านว่ า, าการทำงานแม้จะหวังผลร้อยไม่ได้แต่ถ้าเราจ้ำที่จ้ำชยัยผมฝึกกำนันผู้ิบบ้านให้ให้มีความสำนึกว่าชุมชนนี้หมู่บ้านนี้เป็นของเรานะเราต้องช่วยกันดูแลรักษาผู้บริหารที่ดีที่สุดในในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยต้องดูตั้งแต่เม็ดดินจนถึงดวงดาว <c oughs> แปลว่า <c oughs> แปลว่านับเม็ดข้าวนับข้าวเดินดูตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องที่มันใหญ่ๆครับถ้าเราจำจี้จำใช้อย่างนี้ได้เนี่ยซึ่งซึ่งมันเหมาะกับบุคลิกคนไทยครับเป็นสังคมครูใหญ่ครับกับนักเรียนครับคุณครูอยู่ก็จะทำากอบเรียบร้อยครับก็เหมือนกันวันนี้เราสร้างกองกำลังเหล่านี้ก็จะให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าอ๋อเราทำอะไรที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นภัยกับสังคมเนี่ยไม่ได้เพราะสังคมนี่เป็นสังคมของคนอยู่ร่วมกันครับต้องช่วยกันครั บ, รบเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราเห็นว่าชาวบ้านหรือว่าชุมชนมีส่วนร่วม ก็เทับว่าเขาก็ป้องกันตรงตัวเองได้ด้วยใช่ไหมครับท่านครับคือถ้าจะบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ตารวจเองหรือว่าบ้นเมืองเองก็อาจจะกําลังไม่พอหรือว่าอาจจะมีกําลังชาวบ้านมาเป็นหูวเป็นตาช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นกําลังส่วนหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับท่านครับคือผมเรียนท่านผู้จัดการผู้จัดรายการนิดเดียวครับว่าบางทีสังคมเราก็จะมีข่าวสุขวิทย์ภาระไปให้ตํารวจมากครับตํารวจเนี่ยท่านบุ้งกับย้ายมาใหม่มามาคุยมาพบกับผมเป็นคนรุ่นเดียวกับผมคุยกันถูกใจกันมากถูกใจกันในประเด็นที่ว่า เอ่อทำไมต้องโยนภาระให้ตำรวจเช่นหมวกกันน็อกเนี่ยไม่เกี่ยวกับตำรวจเลยนะครั บ, รบผมบอกเ จ, เจ้าที่ตำรวจเลยว่าท่านจับปรับเต็มที่เลยแล้วให้ท่านโยนภาระมาให้ในายเพอหรอกนายเพอเนี่ยเป็นคนฝั่งให้จั บ, บเพราะผมเคยเห็นภาพอันเด็ดอนนาดไม่ว่าจะเป็นช่วงในสงการที่น้องประสบภัยพิบัติไม่สวมหมวกกันน็อกไปประสบอสุบัติเหตุสมองเละสมองไหลทุกคนคก็มาสาธุกันทีมาร้องห่มร้องไห้กันทีเพราะฉะนั้นวันนี้บางชุมชนบอกว่า เอ้ตรงนี้เป็นตลาดนัดของผมขอขับย้อนสอนหน่อยนะมาต่อรองอมผมบอกอย่าไม่บวกกันนอกไม่ใช่เรื่องของตํารวจเป็นเรื่องของทุกคนต้อง ส, มสอวมใส่เพราะเป็นเสียสามตนเองขับย้อนสอนก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องสร้างติตสํานึกร่วมกันมาอยู่ในสังคมก็ต้องเข้มแข็งครับครับอก็คงจะพอได้รับทราบถึงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของอำเภอเมืองนะครับจากท่านนายอำเภอครับ มีประเด็นนึงครับท่านครับเรื่องของ Big Ki ินนิ่เนะครับพราะเนื่องจากว่าจังหวัดนครปนมของเราได้ภาพรวมก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับท่านครับเฉพาะของเพิ่เมืองในบิ๊กคินเดย์เองเรามีจุดเริ่มต้นมาเป็นมาอย่างไงบ้างแล้วก็การดำเนินกิจกรรมเราจะเริ่มต้นไปยังไงทางไหนบ้างครับท่านครับอ๋อเรื่องนี้ผมเรียนท่านว่าเป็นเป็นแรงบวกของของนโยบายหลายหลายประการครับประการที่1 นายอำเภอก็เหมือนผู้ใหญ่ลีครับทางการก็สั่งมาว่าวันนี้ทา่านอดิศักดิ์เทพอาจผู้รา ก, กันจงังหวัดนครปนมสั่งเรามาแล้วนะครับว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นรายได้ที่จะมาสร้างความผาสุกหรือสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องประชาชนของอำเภอเมืองหรือชาวนครปนมันก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวครับอันนี้แรงบวกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมบ้านเมืองให้ดูดีครับประการที่สองยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์การพัฒนาของอำเภอเมืองเราตั้งเอาไว้ว่า ร่วมกันสร้างบ้านเมืองให้หน้าอยู่ครับมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและยึดมั่นปัจฉญาวิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพราะนั้นไอ้นโยบายจากสองแรงบวกมาเนี่ยมันจึงมาเป็นเรื่องของการทำอย่างไรให้บ้านเมืองหน้าอยู่คก็มาบิ๊กินนิ่งเดย์ท่านจะสังเกตไหมครับว่าเราเองจังหวัดนครพนมเนี่ยภาคภูมิใจผู้ที่ไหนก็ขนลุกนะครับว่าเราเป็นจังหวัดที่ มีความสุขมากที่สุดของประเทศไทยครับเป็นอันดับสามของอาเซียน <S 1> <S 1> เป็นอันดับที่ห้าสิบสองของโลกใบนี้ครับแต่เรามาถามตัวเรานะครับถามตัวเจ้าของนี่แหละว่าเราเองเชาวอำเภอเมืองแล้นครพนมเราทําอะไรให้บ้านเมืองเราน่าอยู่บ้างครับเพราะฉะนั้นผมเริ่มต้นจากการรณรงค์เพราะว่าเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการเราดีอย่างไรจึงมาปกครองเขาอืผมก็เริ่มจากการทําสํานักงานให้มันน่าอยู่ข้ารการทุกแผนก นะครับผมขันน็อตเลยขันน็อตแปลว่าขอความร่วมมือแปลว่าจำใจจำชยัยแปลว่าอยากให้ทําผมทําในเรื่องของความสะอาดนโ ย, ยบายห้าสอ ส, ส, สาธสะดวกสะอาดสุ ข, ข, ขลักษณะสร้างนิสัยลักษณมาพบเราที่ทํางานต้องเกิดความประทับใจครับท่านเคยท่านเห็นโรงพักไหมครับโรงพักนี่เป็นนโ ย, ยบายที่ตรงกระจายผมที่สุดเลยคือ ถ้ามันสกรปรกก็ต้องย้ายผู้บริหารออกไปแม่ถูกใจมากเดี๋ยวนี้ไปลงพักแล้วบอร์ดประกาศประชาสัมพันธ์ห้องน้ำห้องน้ําดีมากเลยอําเภอก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวนี้อำเภอดีส่วนาการทุกส่วนดีทําตัวเป็นแบบอย่างรัษฎรมาเห็นก็เกิดความภาคภูมิใจเมื่อเราทําของเราดีอย่างนี้แล้วภาคราชการนํานะครับเราก็ไปลดน้ำลงกํานันผู้ใหญ่บ้านนะบ้านรเราจะเก่าจะแก่จะอย่างไรก็สุดแท้แต่แต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้านตัวเอง ไปไหนซอกซอยไหนมีป้ายบอกครับมีรูร้วยิ้มได้ยิ้มได้เปรามีดอกไม้นะครับเรายิ้มได้รู้ว่าพูดได้มีคําขวัญคําชมเชยคนทําดีในแต่บนหมู่บ้านแล้วก็เข้ามาชมมาเชยครับอย่างนี้ผมเรียนท่านว่าเราเริ่มทํามานานแล้วครับทํามาสักเกือบปีอผมเองเนี่ยเมื่อครั้งดำรงตําแหน่งในส่วนกลางผมเป็นคนเขียนโครงการของกรมการปกครองเรื่องของอําเภอใสสะอาด สายศาสตร์แปลว่าโอ้ศาสตาศาสตร์กายสาสใจมองไปที่ไหนมีแต่มุมหน้าดูน้าอยู่อการทํางานมีแต่ความโปร่งใสครับเป็นที่เพื่อให้กับพี่น้องประชาชนครับเพราะงั้นในช่วงแรกก็คือว่าจะไปเน้นที่ส่วนราชการก่อนใช่ไหมครับใช่ครับต่อจนั้นก็จะขยับขยายออกไปทางด้านชุมชนหมู่บ้านตำบลนะครับใับนี้เราอยากจะเห็นชาวบ้านอยากจะเห็นหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมตรงนี้อ่างบ้างครับท่านครับครับทีนี้ทีนี้พอเราทําในภาค ราชการหลักๆที่ว่าการลรงพักรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบนบอบตอท้องถิ่นแล้วก็ขยับมาที่กำนันผูน้ยิบ้านครับกำนันผูน้ยิบ้านเนี่ยต้องต้องเรียนท่านด้วยความภาคภูมิใจนะครับว่ามันอาจจะเป็นชื่อฝั่งรัโบราณเหลือเกินแต่ว่าศักยาภาพที่สูงนะครั บ, รบถ้าหมู่บ้านไหนโชคดีได้กำนันผูน้ยิบ้านเข้มแข็งเนี่ยบ้านมันจะไปรล้วเลยนะครั บ, บนโยบายต่างๆเนี่ยทางการก็สั่งมาว่าจะไปรล้วเลย แล้วก็เป็นที่เรื่องที่น่าภาคภูมิใจว่าผมมาอยู่ที่นี่ขอความริ่มมือกับกําลังพี่บ้านไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาหรือในฐานะผู้ช่วยนายอำเภอหรือรในฐานะเพื่อนร่วมทํางานเนี่ยเขาเป็นคนมีสํานึกที่ดีมีความมุ่งมั่นที่จะทำวันนี้เราก็จ่ายเรื่องอบ้านเมืองนั้นอยู่ไปยังชุมชนตำบลต่างๆเราบอกเขาว่าเมืองนครพนมต่อไปคุณไม่ต้องไปทํางานที่กรุงเทพแล้วอยู่บ้านเรานี่แหละเพราะคนจะมาท่องเที่ยวเยอะเรารจังหวัด ที่มีความสุขมากที่สุดคนจะล่องโขงเพราะนั้นไอ้สองฝั่งโขงควรจะมีกองขยะมาให้เขาดูไหมครับหรือว่าจะยังไงครับ <c oughs> ถ้าเห็นถ้าเห็นว่านักท่องเที่ยวควรจะมานควรไปนมันเป็นขั้งที่สองขั้นที่สจะมานอนให้อายุยืนเป็นอีกกี่ <c oughs> ปีก็สุดแท้แต่ครับ <c oughs> เขามาลงเรือให้เขามาดูอะไรครับมาดูสภาพธรรมชาติที่งดงามวัดวารามหรือจะมาดูกองขยะอื <c oughs> เพราะท่านวันนี้เวลาท่านผูก้การจังหวัดพูดเรื่องนี้ทีไรผมก็สะดุ้งอยู่เรื่อยเลยนะครับเพราะว่ามีควารู้สึกว่าเอ้เราขันน็อตเรื่องนี้ดีแล้ว อ, อย่างดีแล้อยังรเราก็อาเออเลื้อตัวเองกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้บ้านไหนนะที่จะต้องทําเรื่องนี้ให้เกิดผลนะครับช่วงนี้เราก็เราก็หล่นลงบางทีร้านอาหารที่อยู่แนวชายโครงท่านเห็นไหมครับบางท่านบอกอู้อร่อยมากร้านนี้อร่อยมากแต่พอชาเรื่องไปที่ใต้ถุนอูมันเป็นภาพที่ครับ ที่นักท่องเที่ยวเาอาจจะต้องติติงเราบางร้านนี่มแมาแรงวันประธานทเท่าเราตัวเท่านิ้วก้อยอครับเราต้องปรับปรุงผมก็เป็นภาระอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นนักปกครองท้องที่ผมต้องประสานเรื่องนี้ให้จริงจังครับครั บ, รบในช่องสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปพักฟังบทเพลงนะครับแล้วกอ็อยากจะให้ท่านแอมเพลเมืองนั้นได้ฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ เรื่องของความมั่นคงยาเสพติดหรือว่าเรื่องของการดูแลวความสะอาดหน้าบ้านของตนเองหรือว่าพื้นที่ของอำเภอเมืองนี่ครับท่านครับครับก็อย่างที่ผมกลับเรียนนะครับว่านโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดแตการทําเมืองให้เป็นเมืองต้อนรับการท่องเที่ยวเนี่ย เ, เราน้อมปฏิบัติในขณะเดียวกันวิสัยทัศน์ของอำเภอก็เป็นการทําเรื่องบ้านเมืองให้น้าอยู่บ้านเมืองให้น้าอยู่แปลว่าราชการทุกภาคส่วนเนี่ยต้องเข้มแข็งทํางานของตัวเองอยา่างตรงไปตรงมาครับพี่น้องเองก็ต้องให้ความร่วมมือ ในการทําบ้านเมืองของตัวเองนี่แหละให้มันน่าอยู่ไม่ใช่ผักพาราไปให้เป็นเรื่องของของใครครับเรื่องยาเสพติดบ้านเราต้องยอมรับว่ายาเสพติดเยอะมากยาบ้ากัญชานี่เยอะเพราะนั้นต้องไปช่วยเป็นหูเป็นตาบอกกล่าวเจ้าหน้าที่เข้าไปดูลูกหลานซช่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไหมโดยเฉพาะเรื่องของเสพเสพก็ไม่ใช่เรื่องต้องคิดมากเลยเป็นเรื่องที่เราต้องไปช่วยกันบําบัดรักษาครับเรื่องแหลงเสื่อมโทมเรื่องการค้ามนุษย์ ท่านอย่าลืมนะครับว่าอีกไม่กี่ปีปีหน้ามั้งครับ AEC ผ่านกันแล้วครับผมตั้งด่านร่วมกับตํารวจตอชดอตอมอวันนี้เจอคนเมื่อคืนเจอคนลาวเยอะจังอเจอคนกัมพูชาเขมีเยอะจังเอ๊อย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องขันเราตัวเองมากยิ่งขึ้นวันนีใน้ในระหว่างที่เรากําลังหลุดจาลงบางเรื่องต้องต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่ดกรุณาให้ความร่วมมือดีมากผมยกตัวอย่างเช่น รถบรรทุกทรายเห็นไหมครับครัก่อนเราไปบ้านน้องจันเนี่ยถอาไปตะบนท่าคอออกไปทางท่าพนมท่านจะเห็นว่าเป็นเป็นเมืองในหมอกเลยเราหมอกไกลๆคิดไปเป็นเมืองในหมอกหน้าร้อนที่แดดได้เป็นฝุน่นทรายอืครับพี่น้องก็ลำบากยากในการแก้ไขปัญหาวันนี้ผมไปขอร้องนะครับไปยกมือไหว้เลยท่านผู้ประกอบการบอกว่าขอร้องแต่ท่านช่วยกุมผ้าหน่อยอืช่วยประกอบการแบบแบบสุภาพบุรุษหน่อย ปรากฏว่าท่านผู้ประกอบการบอกยินดีกับท่านในอำเภอเลยให้ความร่วมมือดีมากครับแนี่อำเภอเมืองรถสายไม่เยเขามีปัญหาหหเรื่องอยาเสพติด จ, จับได้มากขึ้นครับเรื่องไม้ของผิดกฎหมายคนต่างด้าวเข้าเมืองเราช่วยกันดูแลทุกภาคส่วนจังหวัดอํานวยการมาอำเภอเป็นหน่วยปฏิบัติก็รับปฏิบัติผมเป็นผู้ประสานเป็นผู้อำนวยกา ร, รส่วนราชการทุกส่วนตํารวจปกครองท้องที่ท้องถิ่นรวมกันทําครับที่สําคัญก็คือ พี่น้องเองก็ทุกลังคารเรือนมีทีวี200ช่องหมดแล้วครั บ, รบก็จะดูควา ม, มาเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองก็เกิดความรู้สึกตื่นตัวที่จะทําบ้านเมืองเราให้น่าอยู่นครปรนมนีเป็นเมืองพระาธาตุปนมใช่ทาทั้งเจ<ม>็ด<ม>เป็นเมืองที่คนมาไหว้พระไว้เจ้าดีมากพี่น้องเป็นคนที่ผ่านกระบวนการคิดที่ในเชิงพุทธ<ม>ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีของพื้นที่ครับครับครับก็คงจะได้เห็น ในเรื่องของแนวทางการดำเนิน ง, งานของท่านนายอำเภอนะครับก็คงจะอุ่นใจกันขึ้นนะครับเพราะนอกจากที่จะมีทางเจ้าที่บ้านเมืองคอยดูแลไม่พอเนี่ยนะครับท่านนายเพื่อก็ยังมีแนวร่วมคือชาวบ้านนะครับมาช่วยกันดูแลเพื่อให้ครอบครัวหรือว่าชุมชนเข้มแข็งขึ้นนะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองนครพนมนะครับท่านนายอำเภอดำรงศิริวิชัยมวิวเสศ นายอำเภอเมืองนะเขาพนมนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของมาตรการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็บิ g กคินน i ่งเนะครับช่วงนี้ขอบคุณท่านท่านนายอเภอมากครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องรครับสวัสดีครับครับขอบคุณทฝังครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับพักฟังบทเพลงเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับท่านนายอเภอเมืองท่านพนมเออท่านนายอเภอท่านพนมนะครับท่านอภิชาติชาติอุณาเลขากะนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ ไม้ป่าหน้าชมไม่คนดอมดอมประดับพนมแนวใพรโรยระรินกลิ่นหอมเรื่นชื่นใจหอมใดไม่เปรียบผานขาวเหลืองรามพนาเจ้าดอกมันกลาคารักเจ้านา องมาลีหอมละมนกรุ่นดวงบางสองกาน ร, ร้อยมาลายแม่น้ำจะเปลี่ยนผัานแต่กลิ่นเจ้านั้นหอมเย็นไม่เปลี่ยนไปสอกันเล่าเจ้าหอมระดับใคร ใจเพื่อได้ชมหม้อหมวนหมวนมาเลยเรียบดังความดีคลิ่นหอมคนดอมดอมเกิ ด, ดกลางครอยู่ไกลไกลโคร ฟังกำลังติดตามมาฟังรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมในระบบ fm ความถี่เก้าสิบจุดสมเกรนซ์และนระบบ am ความถี่9ก้าร้กิโลเฮิรตซ์กับผมพิทยาแสงรุ่งครับคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับทางรายการเราก็ได้สนทนากับท่านแหนมเพลเมืองนครพนมท่านแหนมเพลดารงสิริวิทย์อินวิเศษนะครับถึงเรื่องของมาตรการสร้างความเข้มแข็งเรื่องของการ Big กคลีนนิ่งเดนะครับสําหรับในช่วงนี้นะครับ รายการบ้านเมืองน่าอยู่ก็อยู่กับท่านนายอำเภอท่าพนมนะครับท่านนายอำเภอพิชาติติชาติอุณาเลขากะนะครับสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับครับสวัสดีครับครับนะครับพูดถึงในเรื่องของอำเภอท่าพนมนะครับก็ถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่เชื่อว่าถ้าพูดถึงอำเภอท่าพนมก็ต้องพูดถึงวัดท่าพนมนะครับครับอยากให้ท่านนายอำเภอได้พูดถึงภาพรวมสภาพภูมิทั่วๆไปของอำเภอท่าพนมครับว่าเป็นยังไงบ้างครับท่านครับอำเภอท่าพนมก็ถือเป็น หนึ่งในสิบสองอำเภอของจังหวัดนครพนมนะครับครับแต่ว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นที่ตั้งของพระ ธ, ธาตุพนมนะครั บ, รบซึ่งเป็นปูชนียสถานทางพุทศาสนาที่ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งหรือว่าสําคัญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับในทุกปีก็จะมีพี่น้องประชาชนมาทั่วทุกสารทิศ น, นะครับมไม่ใช่เฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมเชื่อว่า ทั่ประเทศไทยครับได้เดินทางมานำัสการพระธาตุพนมซึ่งในปีที่ผ่านมาก็มีงานนัสการพระธาตุพนมนะครับซึ่งจัดระหว่างวันที่ 7- ถึงสิบห้ากุมภาพันธ์นะครับครับซึ่งงานนี้ก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีพี่น้องประชาชนหลั่งไหลมานิัีการพระธาตุพนมเป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่านอกเหนือจากพระธาตุพนมแล้วนะครับอําเภอท่าพนมยังมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือถือว่าเป็นอําเภอที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับครับ เนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่เหมาะกับการเกษตรนะครับในอำเภอท่าพ น, นมนั้นมี12ตาบล136หมู่บ้านนะครับใน12ตาบล น, นั้นเป็นหมู่บ้านตำบลตามแนวชายแดนนะครับหรือติดแม่น้ำโขงนี่6ตำบล น, นะครับ36หมู่บ้านมีความยาวตลอดลำน้ำโขงนี่42กิโลเมตรใน6ตำบล น, นี้นะครับก็มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขงซึ่งพี่น้อง ชาวท่าพนมนั้นก็มีความขยันขันแข็งนะครับทาการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวพืชผลทางการเกษตรที่สาคัญมากมายนะครับที่มีชื่อเสียงก็หอมกระเทียมนะครับที่ตาบลแสนพันนอกจากนั้นก็ยังมีปลูกผักนะครับส่งขายตลาดนะครับมียาสูบนะครับก็มีโรงบ่มใบยาที่ดอนนางหงนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทั้งหกตาบล ที่ติดริมน้ำโขงซึ่งมีความผดรมสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีอ่าส่วนหนึ่งได้รับความอ่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีโครงการลุ่มน้ํากํามันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็ที่เราได้ยินและมีชื่อเสียงก็คือประตูน้ําธรณิสนลมิดนะครับซึ่งปิดกั้นลําน้ํากํำนะครับแล้วก็สามารถสูบน้ําจากแม่น้ําโขงนะครับกลับเข้ามายังห้วยแคนนะครับแล้วก็ ส่งน้ําเพื่อการเกษตรส่วนหนึ่งนะครับก็มีน้ําจากน้องหารสกลนค ร, ครผ่านมาตามลําน้ํากำมานะครับลําน้าําบังก็มาใช้ในการเกษตรทั้งอําเภอธาตุพนมอําเภอนาแก <c oughs> นะครับอําเภอเลยนครรวมไปถึงอําเภอวังยางป่าปา ก, ปากด้วยนะครับ <c oughs> แต่ในส่วนของอําเภอธาตุพนมนั้นก็ <c oughs> มีประตูน้ําสําคัญก็คือประตูน้นําทรณิธนมิตรซึ่งสามารถสูบน้ําโขงกลับเข้ามา <c oughs> ใช้ประโยชน์ได้อีกเพราะฉะนั้น จุดเด่นของอำเภอท่าพนมก็คือมีพื้นที่ทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์นอกเหนือจากติดลาน้ําโขงแล้วนี่ก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับพระราชทานโครงการพัฒนารุ่มน้รรมําก่นเนื่องมาจากพระราตดมริด้วยนะครับก็คือจึงทําให้พี่น้องนะครับมีความสุขนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับท่านผู้ว่า ก, การจังหวัดนคนรพนมท่านปัจจุบันนะครับท่านอนดิศักดิเทพอาจท่านก็ได้มอบนโยบายไว้ว่าอยากจะให้อําเภอท่าพนมนั้น เป็นอำเภอท่องเที่ยวนะครับเชิงพระพุทธศาสนาเนื่องจากมีพระธาตุพนมนะครับผมก็อยากจะคุยต่อว่ า, าสาระสาคัญในเรื่องนี้ก็คือเรามีจุดแข็งของอำเภอธาตุพนมที่จะสามารถพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาทีอหนึ่งมีมีพระธาตุพนมนะครั บ, รบจากนั้นแล้วก็เรายังมีโรงเรียนภาพประยุทิธรรมที่วัดพระธาตุพนมแล้วก็มีมหาศ มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็ท่านาเจ้าคุณนะครับพระเทพบรมนีท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านออกบินธบาตด้วยตัวเองอทุกเช้าเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็เกื้อกูลกันให้าการใส่บาตรยามเช้านะครับมีพระพิสุส่งนำโดยท่านเจ้าคุณนะครั บ, รบพระเทพบรมนีท่านนําออกบินธบดีมีพระสงฆ์มีเนรนะครับที่เรียนพระป ร, ะริยธรรมด้วย เรียนในมหาจุฬาลงกรณ ร, ราชวิทยาลัยด้วยออกร่วมบินทะบาทบก็ทําให้บรรยากาศยามเช้าริมโคงของอำเภอท่าพนมนั้นน่าตื่นตาตื่นใจนะครับเรานึกถึงหลวงพ่อบางนึกถึงเชียงคานผมก็มีความภาคภูมิใจที่ผมเป็นส่วนหนึ่งของชาวนาครพนมที่ทําให้นครพน ม, มมีความสุขที่สุดในประเทศไทยครับถ้าพวกเราได้เห็นบรรยากาศยามเช้าที่อํเาเภอท่าพนมริมโคงพระเทพวรามนีท่านออกบินทะบาบมีความสุขใจจริงๆครับ ฟังดูแล้วนะครับอำเภอท่าพนมเนี่ยมีความสมบูรณ์ทั้งเรื่องของการทําอาชีพเกษตรวัฒนธรรมพุทธศาสนาแล้วก็การศึกษานะครับท่านครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในชุมชนของเราครับท่านแอมเภอมีแนวนโยบายในการดําเนินงานตรงนี้ยังไงบ้างครับท่านครับครับตามที่ผมได้กล่าวนําไว้นะครับว่าใน12ตําบลของอําเภอท่าพนมนั้นเป็นอําเภอชายแดนสัก6ตําบลนะครับเราฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือ สาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาวนั้นในของอําเภอท่าพนมนั้นมีความสําคัญคือติดกับสองแขวงครับ mm hmm. อําเภอหน่งอาจจะติดแขวงเดียวนะครับแต่ที่ท่าพนมนี้มีจุดเด่นครับฝั่งตรงข้ามนะครับกับบริเวณท่าด่านนะครับหรือบริเวณศูนย์กลางคือประตูโขง ข, งของที่เรามองตรงออกมาจากหน้าวัดพระท่าตพนมนะครับตรงไปประตูโของอ mm ืฝ hmm. ั่งตรงข้ามนะครับเป็นปากน้ําำ น้ําเซนะครับเซบังไฟนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเมืองหนองบกนะครับแขวงขมวนฝั่งทางทิศใต้ของเซบังไฟนะครับก็จะเป็นเมืองชัยบุรีแขวงสวัสดิ์นคราะฉะนั้นเมืองท่าพนมอํมเาเภอท่าพนมก็เลยติดกับสองแขวงต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งเจ้าเมืองหนองบกของขมคมุนนะครับ แล้วก็เจ้าเมืองชายบุรีของแขวงสวรรค์เขตอันนี้คือความสัมพันธ์ในฐานะชายแดนนะครับแต่ในส่วนของความมั่นคงตามแนวชายแดนนั้นที่เราจะละเลยไม่ได้นะครับแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีแล้วนะครับเรายังจะต้องดูแลในเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครั บ, รบเนื่องจากว่าเรามี6ตําบลที่ติดแม่น้ําโขง36หมู่บ้านนะครับที่ติดลําน้ําโขงแล้วก็ใน36หมู่บ้านนี้นะครับ มียี่ิบแปดหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองนะครับซึ่งในหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองนั้นเราจะมีจุดเด่นหรือความเข้มแข็งก็คือเรามีคณะกรรมการหมู่บ้านเรามีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับซึ่งได้รับการฝึกจัดตั้งนะครับครับโดยมีผ่านหยัดนะครับหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองนะครับรองรับอยู่เพราะฉะนั้นในหมู่บ้านนี้ซึ่งนอกจากมีคณะกรรมการหมู่บ้านแล้ว มีชุดชอรอบอแล้วก็จึงผ่านการฝึกนะครับการใช้อาวุธ mm hmm. การลาดตระเวนการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการตรวจค้นนะครับก็จะทำให้การรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านตามอาเภอเหล่านี้เป็นไปด้วยดีนะครั บ, รบผมจึงเชื่อมั่นว่าในความที่เป็นหมู่บ้าน อ, อพปนะครับทั้ง28หมู่บ้านนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคง ตามแนวชายแดนได้ยังเป็นอย่างดีนะครั บ, รบและที่สําคัญครับเราก็ยังมีหน่วยงานข้างเคียงที่สนับสนุนและบูรณาการในเรื่องของงานความมั่นคงด้วยกันก็คือมีทั้งหน่วยนรนขนะครับหน่วยหน่วยรักษาความสงบตามลําน้ําโขงนะครับงานตํารวจน้ำํำและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่สองสามห้า <23 5 S 1> <ừ> ช่วยเหลือดูแลในเรื่องเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วนะครับทางกองกําลังกุะทรวงกระทรวงตรก็ยัง ส่งชุดปฏิบัติการจิตวิทยานะครับออกมาอบรมให้ความรู้ในหมู่บ้านตามแนวชายแดนเพิ่มเติมด้วยนะครับในส่วนของอางานความมั่งคงชายแดนนั้นที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเราติดเรนมั่งคงเนี่ยที่น้องส่วนหนึ่งนอกจากประกอบอาชีพเราหน้าการเกษตรแล้วเนี่ยก็ยังประกอบอาชีพทางการประมงด้วยนะครับครับท่านเชื่อเลยไหมครับว่าอําเภอท่าพนมนั้นมีเรือที่มาจดทะเบียนนะครับเพื่อที่จะจอดตามจุดรวมเรือ นะครับถึงประมาณ800ลำทั้งไม่น่าเชื่อครับเะมากขนาดนี้เป็นเรือประมงที่ออกหาปลาตามลําน้ําโขงนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยนรขนะครับมาทําจุดจอดเรือนะครับตามหมู่บ้านตามแนวชายแดนริมน้ําโขงทั้ง28หมู่บ้าน6ตําบลนี้ทั้งหมด29จุดนะครับเรือทั้งประมาณ800ลำเนี่ยก็จะมาขึ้นจดทะเบียนมีหมายเลขกํากับเรือนะครับว่า จอดที่ไหนนะครับกําหนดเวลาเข้าออกคือตั้งแต่ผ้าที่ขึ้นถึงบ้านที่ตกเข้าออกเป็นห่วงถูกจุดที่เขาขึ้นทะเบียนไว้ว่ารวมเรือที่บ้านนี้นะครับเข้าออกตามเวลาเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของอความมั่นคงตามแนวชายแดนเพราะเราต้องคํานึงถึงด้วยนะครับว่ายังไงก็ตามเราทราบดีอยู่ว่าปัญหาตามแนวชายแดนนั้นมันจะมีปัญหาในเรื่องของทั้ง การเข้าเมืองนะครั บ, รบมีทั้งแรงงานนะครับมีทั้งสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหมู่บ้านอภรรนี้ได้ช่วยเหลือในเรื่องของการรักษาความสงบความมั่นคงตาในชายแดนเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมานะครับก็มีผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นสมาชิกนะครับในหมู่บ้านอาสาพัฒนาโงกานตนเอง สามารถตรวจค้นจับกลุ่มผู้ลักเล่านําเข้ายาเสพติดได้หลายคดีนะครับเป็นมีของกลางเป็นยาเสพติดเป็นจํานวนมากนะครั บ, รบแล้วทั้งหมดนี้ก็ได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตรชมเชยในเรื่องของความตั้งใจในการทํางานจากท่านผู้ว่วาการจังหวัดนครพนมในที่ประชุมของหน้าส่วนราชการเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครั บ, รบอย่างพูดถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดเองนะครับเมื่อชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกันดูแลนี่นะครับ เสียงตอบรับเขาเป็นอย่างไงบ้างครับท่านครับครับเขาเขารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกอ่าเข้มแข็งหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างครับครับในความรู้สึกของชาวบ้านนั้นทุกคนแหละครับให้ความเป็นห่วงนะครับอ่าลูกหลานเยาวชนของเราครับเพราะเราเชื่อว่าอ่าปัญหายาเสพติดนั้นไม่ใช่ปัญหาของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเท่านั้นเท่านั้นนะครับครับทุกคนที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้านในชุมชนนั้นต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกันนะครับถ้าหากว่าเราปล่อยปละละเลยไม่ดูแล เพื่อนบ้านนะครับหรือไม่ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนของเราในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดบ้านหนึ่งนะครับถ้าหากมีครอบครัวใดหรือหลายครอบครัวก็ตามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันไม่ใช่กระทบเฉพาะในครอบครัวนั้นหรือบ้านนั้นเท่านั้นนะครับมันจะมีผลกระทบต่อเพื่อนบ้านข้างเชียงความสงบสุขชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งหมู่บ้านนะครั บ, รบปัญหาในเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยความปลอดภัยนะครับการจรกรรมหรือว่าเป็นแหล่ง ที่จะผ่านไปผ่านมาของขบวนกา ร, รมันก็จะทำให้บ้านนี้ไม่สงบสุขเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับก็จะพยายามร่วมม้ร่วมมือกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครั บ, รบผม <ไป S 2> เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความเข้มแข็งของชุมชน จับเป็นแนวทางสําคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสติดครับครับครับทีนี้เข้ามาที่เรื่องของบิ๊กบิ๊กคินนิ่งเดยครับท่านแหน่เพลครับเพราะว่าถ้าอำเภอท่าพนมเองก็ถือว่าเป็นอําเภอหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับมีพี่น้องประชาชนว่าจะเป็นชาวพุทธนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมกันเยอะแยะไปหมดเลยการ b i g กคิน ning เดยของอำเภอท่าพนมเนี่ยนะครับท่านแหน่เภอมีแนวนโยบายมีวิธีการดําเนินงานอะไรบ้างครับท่านครับครับครับก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าที่ผมได้พูดไปตอนต้นรายการว่า ท่านผู้การจังหวัดนครพนมนะครับได้มีนโยบายที่จะทําให้เมืองท่าพนมนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงพระพภูมิศาสนาครับจุดแข็งที่ผมได้กล่าวนําไปแล้วนะครับตั้งแต่องค์พระธาตพนมมีคนมาท่องเที่ยวมากมายครั บ, รบแต่ละวันเฉพาะมานับเทศกาลพระธาตพนมนั้นไม่ใช่ช่วงเทศกาลนับเทศกาลพระธาตพนมนะครับแต่ละวันมีคนมาเที่ยวเรือนพันนะครับครับก็ เพราะฉะนั้นการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนที่มาจากต่างถิ่นต่างที่ทั่วทุกเขตแดนนะครับมาเที่ยวเมืองท่าพ น, นมแล้วเกิดความประทับใจนอกจากมานำพิธกรากรพระธาตพนมแล้วผมเชื่อว่ า, าความได้เปรียบในเรื่อง ว, วิวทิวทัศน์ริมน้ําโขงนะครับที่สวยงามแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพยายามทําก็คือว่าทําอย่างไรให้เขตพื้นที่ของอําเภอท่าพ น, นมโดยเฉพาะยิ่ง นะครับในเขตเทศบาลตําบลท่าพนมหน้าวัดพระ่าพนมรวมทั้งถนนที่ออกไปประตูโขงนะครับถนนเลียบริมโขงทึ่ท่านเจ้าคุณออกบินทบาททุกเช้านะครับทำอย่างไรให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็มีโครงการนะครับที่จะทําความสะอาดเป็นประจํานะครับโดยกําหนดที่จริงแล้วนี่นะครับวันนี้คือวันแรกเลยนะครับ14มีนาคมนะครับก้านาฬกา ท่านผู้ว่าการจังหวัดนครพนมท่านจะไปเปิดบิ๊กทิ้งเดย์ร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับในเขตเทศบาลตําบลท่านพนมนะครั บ, รบนำโดยท่านนายกนะครับเทศมนตรีตําบลท่านพนมท่านขจรศัก์นิชินนะครับร่วมกับทางคณะผู้บริหารท่านประหลัดนะครับแล้วก็กํานันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบา ล, บาลตําบลรวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงนะครั บ, รบจะมาร่วมกัรทำบิ๊กท ning Day เริ่มวันนี้วันแรก เนืยอย่องจากท่านผู้บ ร, ริการจังหวัดติดราชการนะครับก็เลยท่านโทรศัพท์มาแจ้งผมเลยว่าท่านต้องมาร่วมด้วยตัวเองขอเปิดงานเป็นปฐมฤกษ์ก็เลยเลื่อนเป็นวันที่สิบเก้านะครับแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากงานาาพิธีการพระธาตุพนมแล้วเนี่ยภายในหนึ่งวันนะครับพวกเราได้ร่วมใจพร้อมเพรียงเก็บกวาดทาความสะอาดบริเวณทั้งในบริเวณวัดบริเวณลานจอดรถบริเวณถนนบายพาสนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อย จนได้รับคำชมเชยนะครับจากาหลายหลายคนวา่าในปีนี้นะครับพวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละมาร่วมกันทําความสะอาดเบื้องต้นนะครั บ, รบโดยมีลูกหลานนักเรียนจากโรงเรียนท่าพนมจากวิทยาลัยท่าพนมมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับแ ล, และเด็กนักเรียนชั้นประถมจากโรงเรียนวัดพระธาตพนมมาร่วมกันนะครับทําความสะอาดเสร็จที่เรียบร้อยถัดจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ครับมีงานสําคัญอีกงานหนึ่ง ของวัดพระธาตุพนมคือการรับพิธีทานสัญญบัตรพยศนะครับมีมพระเทรานุเทระจากทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมารับสัญญบัตรพัดยศเราก็เตรียมการให้เรียบร้อยเสร็จจากงานนี้ก็ทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นเราก็จะสร้างลักษณะนิสัยสร้างจิตสํานึกที่ดีจิตอาสาให้กับลูกหลานเยาวชนพี่น้องประชาชนให้ร่วมกันทําความสะอาดบ้านเมืองของเราเป็นประจําแต่เราจะทําเป็นประจํา ทุกสัปดาห์นะครับทุกศุกร์นะครับโดยเราจะเริ่มนะครับครั้งแรกนี้คงจะไม่ได้เป็นวันศุกร์แล้วครับวันที่19เป็นวันพุธนะครับเพ่อท่านผู้ว่าการจังหวัดไม่ติดราชการท่านก็จะมาร่วมเป็นประธานครั้งแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทําความสะอาดบิ๊กคินนิ่งเดย์ทุกวันศุกร์นะครับไปเรื่อยๆทุกวันนะครับเพื่อที่จะทําให้ท่าพนมของเรานั้นเป็นเมืองที่สะอาดนะครับนอกจากได้มานักการพัฒนาพนม ชมวิวทิวทัศน์ริมโขงแล้วนะครับก็จะพบกับบ้านเมืองที่สะอาดอสวยงามนะครั บ, รบซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าบริเวณพระธาตุพนมอยู่ถ้าท่านผ่านไปตอนนี้อาจจะสะดุดใจนิดนึงว่าโครงการนี้นะครับยังไม่สําเร็จลุล่วงนะครับก็อาจจะมีเศษวัสดุก่อสร้างฝุ่นนะครับพอสมควรแต่ผมก็ยืนยันว่าจะเร่งรัดดาเนินการนะครับให้การปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าวัดพระธาตุพนมสําเร็จเรียบร้อยนะครับเบื้องต้นที่จะทําก็คือเปลี่ยนโครงการนะครับเปลี่ยนงวดงานคือท่านจะเห็นถนนอที่เลี่ยงหน้าวัดพระธาตุพนมไปเป็นรูปตัวยูนะครับ mm hmm. ตรงนี้ก็จะให้ทางผู้รับเหมาผู้ดําเนินการนี้รีบมาทําถนนนี้ให้เรียบร้อยก่อน mm hmm. แล้วหลังจากนั้นเราก็มีฟุตปาทถนนที่เรียบร้อยเก็บกวาดความทํามสะอาดเป็นประจํา พราตุพนมของเราก็จะสวยงามปรับภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยต้อนรับนักท่องเที่ยวครับครับทีนี้เสียงตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นไงบ้างครับท่านครับเกี่ยวกับ Big กคินิ่งเดย์ในครั้งนี้ครับครับก็ผมยืนยันเลยนะครับขนาดว่าเราเริ่มต้นนะครับเหมือนกับว่าเป็นการเตรียมงานหรือการประชาธิพันธ์เริ่มแรกจากการรักษาความสะอาดเก็บกวาดทำความสะอาดหลังจากงานพระราชการพระธาตุพนมนะครับให้สวยงาม ท, ทันทีทันใดภายในหนึ่งวันรับ งานรับพระยถ า, าสัญญาพัดพัยดยศในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านต่อจากงานน้ำพระกาฬพระธาตพนมนะครับหลังจากนั้นก็พ้นจากงานรับสัญญาพัรพัดยศเราก็ร่วมกันทำความสะอาดอีกอโดยมีลูกหลานนะครับที่น่าดีใจคือลูกหลานเยาวชนนะครับจากนักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตพนมโรงเรียนธาตพนมนะครับแล้วก็ลูกหลานหนุ่มสาวนะครับจากโรงเรียนอวิยทยาธาตพนมมาไไหาวิทยาลัย น, นครพนมรวมทั้งเจ้าหน้าที่จาก เทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงเทศบาลใกล้เคียงรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านาามาร่วมกันทำนะครับก็ปลูกจิตสำนึกเบื้องต้นนะครับก็มีการรับการสนับสนุนเป็นอย่างดีถ้าหากว่าเราได้เริ่มทำกันเป็นประจำนะครับสร้างจิตสำนึกสร้างลักษณะนิสัยที่ดีแล้วก็มีจิตอาสามาร่วมกันทำความสะอาด b i ๊กคี a ์นิ่งเดทุกสัปดาห์ก็จะทำให้บ้านเมืองของเรายิ่งมีความสะอาดสิ่งตอบรับอย่างดีครับเพราะว่า เรามีความภาคภูมิใจที่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงพระศาสนาใครมาเที่ยวก็มีความสุขมีความอบอุ่นใจเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามเห็นบ้านเมืองที่สะอาดนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวท่าพนมครับครับครับนาเสด็จครับที่เวลาของรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นั้นก็หมดลงแล้วนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอท่าพนมนะครับท่านนายอำเภออภิชาตนะครับนายอำเภออภิชาติ อติชาติอุลหะเลขากะนะครับในเบอร์ท่าพนมที่มาร่วมสนทนาในรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับนำเราไปรู้จักเบอรท่าพนมแล้วก็รู้จักแนวทางการดำเนินงานเรื่องของมาตรการการสร้างความเข้มแข็ง เรื่องของการที่จะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบผู้ศาสนาในพื้นที่ของเบอร์ท่าพนมในเช้าวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านฟังครับรายการบ้านเมืองหน้าอยู่คงต้องจากลาท่านฟังปฏบิเวลาเพียงเท่านี้นะครับในสัปดาห์หน้ากลับพบกันใหม่ครับในช่วงเวลาเดิม9ก้นาฬกาสิบนถึงสิบนาฬิกาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการในจังหวัดนครพนมในรายการบ้านเมืองน่าอยู่ทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกานทีถึงส0นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM 90.25 MHz เม